ตามปกติหลวงพ่อลงไปกรพักที่สวนแสงธรรมและก็วันเสาร์คงจะมาฉันที่บ้านคุณหลวงจิตโภชนาเพราะคุณหลวงได้ประวรดานิมนต์เอาไว้แต่นคณะสัตยาญาติโยมกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลายร้อยคนคุณกรุงเทพที่จะจับกลุ่มไดขนาดนี้ก็ไม่ใช่ได้ง่าย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 ไม่ใช่เป็นขององค์อื่นแต่ห ล, ลวงพ่อได้ลงไปร่วมสมทบเท่านั้นเองเพื่อให้อันนี้ก็เพื่อความแน่นหนามั่นคงอีกเหมือนกันแต่หาว่าครูบาอาจารย์ให้ความสนใจให้ความใส่ใจลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาทั้งหลายทั้งปว ง, ท, ง, ปวงที่อยู่ในกรุงเทพก็คงจะมารวมกันเป็นผึกแผ่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าหลวงตาปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานไว้แล้ว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 โดยมากพระที่ติดตามท่านไปกโดยมากมีพระฝรั่ง อ, องค์สององค์บางทีก็องค์หนึ่งนึกทีก็สององค์จากนั้นท่านก็ใช้เด็กที่ลูกหลานของท่านเป็นผู้ดูแลดูบาดของท่านโดยมากพระไม่ค่อยได้ไปกรบองหลวงตาหรอกลงตาไม่ได้เอาไปหลวงตาลงกรุงเทพแต่เมื่อท่านลงสมัยนั้นก็เป็นคุณโชวิตร้านขายยาโชวิต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 นั่นแ่ะบางเขนวัดพระศรีมห า, าธาตุบ้างแถวบางเขนตู ด, ดมากท่านก็นไปพักพักแต่ละวันนะก่อน น, น่โดยมากก็ไม่ต่ำกว่าส0บสี่สิบห้าวันบางทีก็ยี่สิบกว่าวันก็มีนานๆานทีนี่แหละเวลาท่านลงไปวัดในวัดของเราวัดป่าบ้านตาดรูด้สึกว่ามันเยือกเย็นเย็นเงียบอันนั้นก็คือพ่อไม่อยู่ พ่อแม่ไม่อยู่แต่ว่าถึงยังไงพวกเรากฎอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพราะได้ท่านแนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวแล้วแต่ว่าบางองค์เอาเร่งภาวนาในขณะที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่เพราะไม่มีภาระธุระอะไรต่างองค์ก็ต่างอดอาหารบางังทำความภาคเพียนของไครของเหล่าบังเนี่ยบางทีก็บางทีงท่านก็สั่งเวลาท่านจะลงไป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 ท่านจะไปท่านก็ไปเลยเอัอนในคณะสัตธ า, ธา ญ, ญาติโยมมาบางคนก็เหลือเกินจริงๆนะพอมาถึงมาลงตาไม่อยู่เท่านั้นแนหะหันรถกลับพืชเลยนู่นไปจังหันทํากงเพนนแต่เราก็ไม่ว่ากันเพราะเขามาเพื่อลงตาใช่ไหมเออเราไม่ได้มาเพื่อเราะ เ, เราก็ไม่ว่ากันแต่เราก็โกเกินไปแล้วว่าโยมในว่าก็น่าจะเอามาให้ครูบาชัอาจารย์ฉัน กูบาฉันบงังไม่ใช่ปะหลวงตายังอยู่ก็ให้ถวายแต่หลวงตาพวกเราก็ฉันเป็นเหมือนการนาแต่ว่าก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะเขามีศรัทธากับหลวงต า, าทำกับหลวงตาแล้วกัไปทํากับหลวงปู่กูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญมาที่ไหนๆมีกูบาอาจารย์เยอะสมัยนะั้นที่บ้านตาดนะมีก็นี่กขาพูดให้ฟังมีหลายคนเหมือนกันลักษณะอย่างนั้น ตรงพ่อน่ยเคยพบเคยเห็นเคยเจอมาแล้วแต่สมัยนั้นเขาไม่มีโทรศัพท์เขาถามไถ่กันไม่ได้พราะมาเจอแล้วก็ไปแต่บางคนเขามากกถวายแต่ตามปกตินั่นแหละครูบาอาจารย์ยังมีพระในครั้งพระพุทธเจ้าะออติดในครูบาอาจารย์ก็มีเหมือนกันนะเอพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าพระวัคคีนั่น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 เวลาไปฟังธรรมเทศนาก็ไม่ได้คาดสายตาเลยอนั่งฟังจ้องดูรูปพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพอต่อเมาส์ขับพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นเราก็ไปไม่ได้เราควรจะบวชว เ, เพื่อจะได้ดูพระพุทธเจ้ า, ากับกริยาของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะได้เห็นพระพุทธเจ้าจากนั้นเขาก็เลยบวช ชื่อบวชก็ชื่อว่าพักภวครนะิพอบวชเข้ามาแล้วท่นเนก็ไป่ไดขาดสายตาเลยอยู่ที่ไหน น, นั่งเทร็นดูมองจ้องพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็รู้นะี่ท่านไม่รู้ได้ยังไงเพราะท่านมีญาณทัศานะมีทั้งหูทิพย์มีทั้งตาทิพย์มีทั้งตานอกมีทั้งตาในานะท่านก็รู้แต่ท่านก็เฉยท่านมองอยู่เพราะว่าบา ร, รมียังไม่แก่ ท่านมองก่อนนะแต่ถ้าว่าบา ร, รมียังไม่แก่ถ้าไปดาไปดุให้เลยเนี่ยมันแตกเพราะบารมียังไม่แก่ท่านก็มองดูบา ร, รมีของพระวัคริซะก่อนแต่พอต่อมาพระบารมีแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆท่านก็บําเพ็ญท่านก็บอกว่าวัครีเธอจะมาดูอะไรร่างกายของเราเนี่เต็มไปด้วยอจุพะปฏิกูลมีแต่ของ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 ออกห่างแต่ถึงยังไงก็ไปนั่งอยู่ไกลๆก็ยังมองอยู่ยงนันเถอะเ อ, อ่ยังมองอยู่ไกลๆไม่ให้ขาดสายตาอีกเหมือนกันแต่ก่อนอยู่ใกล้นะแต่ต่อต่อมาเนะีอยู่ห่างไกลนะฮะห่างไกลแต่อยู่ในอยู่ในสายตาอยู่พราะพุทธองค์ก็มองดูอีกเอ่บารมีเขาแต่ถึงคราวที่จะได้สําเร็จไหมเนี่ยเอ่พระพุทธองค์ก็มองดูอีกทั้งทางนอกหมูทั้ ง, อ ม, งมองข้างๆในฮะ อย่างานรัตนะของพระพุทธเจ้าของมองดูอีกภวพคกรีเนี่ยเขาจะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลไหมเนี่ยถ้าเราดูไปเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี่ยพกตรงมองถึงขนาดนั้นนะ้าเพราะทําด้วยความเมตตาเนี่ยท่านไม่ได้ทําด้วยอารมโมโหโกธานีแต่นี้ภวครีเนี่ยมองอยู่ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆไม่ให้ขาดสายตาแต่นี้วันเข้าพรรษาไปจำพรรษาที่กรุงราชจคืรึทีเนี่ย เออพระพุทธองค์ก็บอกเห็นว่าบา ร, รมีของเขาแก่กล้าแล้วสินี่เขาจะได้สําเร็จแล้วสินี่แต่ก็ยังศรัทธาเรื่าความเคารพออยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มหัวใจ <Yeah. S 1> พอพระพุทธองค์เสด็จไปนะัดสิทสถานที่ใดไปว่าเออพระสว่างขึ้นมาก็ไม่ให้คาดสายตาแหละก็อมองเรากันเลยอยู่หามุมมองให้ได้ <c oughs> แต่ที่พระพุทธองค์เขคิดว่าพระพุทธองค์จะไม่เห็นตัวเองเนะี่ย แต่นี่พระพุทธองค์ก็บอกเรียกวักคคะลิมาเนอพระวัคคะลิเขามามาวัคคะลิเธอ่าอยู่ที่นี่นะไปไปอยู่ที่อื่นไปหาภาวนามาหายุ่งทําไมหนีว่าจะเนี่ย <c oughs> เ, เ อ, อเท่านั้นแหละโอ้โหในจิตในใจผองพระวัคคะลิมีเท่าไหร่นะหล่นตบลงสู่ดินหมดเลยเหมือนนนะจิตใจโก้าข้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย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 เ อ, อก็เลยปีนเขาคิดจะกูดทชนีหมอ่าปีนเขาขึ้นไปจะหาที่จะโดดกระโดดกระโดดหน้าผาอะไรพวกนั้นเอ่อะพอปีนขึ้นไปพระพุทธองค์ก็ดูอยู่เนี่ยเมื่อท่านดูแล้วท่านก็มองดูอยู่ว่าพักคลิเขาจะคิดยังไงในเมื่อได้ อ, อได้รับยาขนานหนักแล้วงั้นเถอะพระพุทธองค์ให้ยาขนานหนักได้ที่นี่พราะดุดาเนี่ยใช่ไหมดุดาว่ากล่าวเนี่ย อ, อคนมีศรัทธาเนี่ย เพราะนั้นพระวัคคะลิก็คิดอืหนีออกเลยแหละพรบพุทธองค์ไม่ให้อยู่ใกล้เลยไปตายเป็นตายหาทินิคกระโดดเหวตายดีกว่าเนี่ยถ้ากปีนเขาขึ้นไปเอปีนเขาคิดจะขาาุดเําเวลาปีนเขามันก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมละ่ะอพอปีนขึ้นไปก็หักหักหักนะเอยตอนนี้พุทพุทธองค์อยู่ที่ปะคันทกุดีท่านก็เพ่งเ อ, อเพ่งอภินิหารไปเลยเออ เพ่งกับพิธิหารเป็นแสงพลาวไปไปก็เห็นพระพุทธเจ้ยายืนอยู่ต่อหน้าวัคลต เ, เธอไม่ต้องกลัวมานีนา <c oughs> า้ไม่ต้องกลัวกลัวอะไร เ, เราไม่ใช่จะเป็นอริศตูกับท่านามานี่นี่นะ เ, เธอต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะาภาวนาอย่างนี้นะให้เห็นอย่างนี้นะรู้จริงอย่างนี้นะ นี่แหละมามากระเพราพอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละตะกอนเหมือนกับ น, น้ําที่มันแห้งจกัก飒จนดินแตกและแหง้งพอได้ยินพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อเท่านั้นละ่ะจิตใจของพระวักครเีเต็มเปี่ยกไปด้วยน้ํา เ, เต็มเปี่ยกไปด้วยน้ําเพียอว่าชุ่มชื้นเบิกบานขึ้นมาโอ้มีความสุขจริ ง, รงๆเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัดต่อหน้า เออตัวเองตัวเองก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอีกต่างหากเลยจากนั้นปไปตามหลังเราไปเกิดปีติอย่างแรงเออเกิดปีติอย่างแรงเพราะพระพุทธเจ้าพาไปด้วยฤทธิ์เนี่นะพอเท้าพ้นจากดินธทน่นะปีติก็หายจากนั้นท่านก็ได้ภาวนาเห็นอนิจจังพุกขังอนัตตาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยในขณนะ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 แต่โดยมากมันเดี่ยงข้างใดข้างหนึ่งบางคนก็มีปัญญามากเกินไปไม่มีศรัทธาเห็นพระก็ดูถูกพระอีกต่างหากพระน่าจะเป็นอย่างนั้นพระน่าจะเป็นอย่างนี้พระน่าจะพูดอย่างนั้นพระน่าจะพูดอย่างนี้อักบัติคติยาพระไม่น่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้วิจารณ์ใช้ปัญญาวิจารณ์เพราะไม่มีศรัทธาเลยเพราะไม่มีศรัทธาในพระเลยวิจารณพระเนี่ยดาพระอีกดูถูกพระอีกต่างหากเอ้ยอยากจะให้พระเหมือนเป็น เหมือนพระโพธลูกอย่างนั้นแเอแต่พอตัวเองเข้ามาบวชไม่เป็นแต่ซากไน้คนอย่างนั้นนะอพอไปมาดาพระทานทุนท่า น, นี้พอเข้ามาบวชทีนี่โอ้ยิ่งกว่าหมาอีกทีนี่ไอ้คนที่ดูถูกพระอย่างนั้นนะอพอมาบวชท่านแล้วเราเห็น เ, เมื่อสมัยเขาเป็นคารวาสเขาชอบดูถูกพระกว่าพระไม่ดีอย่างนี้น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 คนที่สุขรมาอยู่สาธารณาสุขอำเภอเมือง<ม>อุดรพอกเกษียณอายุ60ปีแล้วก็ท่านก็นเลยมาบวชเลยมาขอบวชที่วัดของเรามาอยู่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะได้คนแก่ได้ขนาดนั้นก็นับว่าดีแล้วแะแต่พอต่อมากระดูกทับเส้นประสาทกระทำให้ขาท่านไม่มีแรงจางได้ไปผ่าตัดที่อุดรผ่าตัดเสร็จแล้วก็ป่วย ป่วยก็มาอยู่ในวัดเราก็ลําบากแต่มันกุฏิมันห่างกันก็เลยขอไปอยู่วัดเออวัดวัดอะไรับแทบเมืองอุดร น, นั่นอ่ะจากนั้นท่านก็เลยไม่ไหวก็ลาสิกขาลาสิกขาก็ไปอยู่บ้านกับลูกๆเพราะลูกโดยมากพิจารุลูกสาวมันดูแลจากนั้นก็มาเช่นเลือดขาดเลือดสมองขาดเลือด ก็เยเป็นลักษณะอัลไซเมอร์จากนั้นเมื่อบ้านวาเมื่อก่องก็ได้มรณะลงไปแล้วเขาก็มานิมนฑลหลวงพอ่เอเขาก็กล้ า, ก, า, ก, า ก, กลัวเพราะหลวงพ่อไม่ค่อยรับนิมนต์ไปที่ไหนไง่ายๆแต่เราคิดว่าเออหลวงตาทองนี่ก็เหมือนกับคนของเรามาอยู่ที่วัดของเรานมนานเาพิ่งจากไป เ, าเราก็ควรจะไปแสดงไปบอกกล่าวให้กับ ลูกหลานได้รับภูรับทราบเมื่อวานหลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมในงานศพของเขาแต่หลวงพ่อก็พูดเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละการเกิดการตายที่หลวงพ่อพูดว่าชราธรมโมหิตฉลังอนัตติโตพยาธิธรมโมหิพยาทิอนัตติโตมรณะธรมโมหิตมรณังอนัตติโตคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่คนอื่นตายเป็นธรรมดาอยู่แต่ตัวเองตายไม่ใช่ธรรมดานะทุก ขนาดหนักเลยพี่น้องอพ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่ใกล้ชิดที่เรารัก เ, เขารบนับถือใกล้ๆถ้าท่านจากไปนะโอ้โหเรา เ, เสียใจแต่คนอื่นตายอยู่นู่นอยู่ทวีปอื่นนะล้มหายตายไปเราก็เฉยๆตายเป็นธรรมดานะแต่พออยู่ใกล้ๆเราตายไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะ หนีออกจากเวียงวังไปบวชท่านเห็นคนแก่นะเห็นคนแก่คนเคนแก่ง่อมแล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเมื่อท่านเห็นสอย่างนี้ท่านจึงตัดสินใจบวชเห็นสมณะทาไมจึงบวชเห็นสมณะเออคนแก่ก็ดีคนเจ็บก็ดีคนตายก็ดีถ้าเรามานั่งคุ้นคิดพิจารณาในเวียงในวังคงจะคุ้นคิดไม่ออกเพราะว่า มันภาระของเรามากเหลือเกินไม่รู้อะราช ก, การงานเมืองไม่รู้่าการบริหารจัดการมากมายถ้าเราไปอย่างสัมมณะอยู่ในปาน่าเนี่นั่งขัดสมาธิแล้วก็สำรวมหลับตาคิดที่จะหาทางออกทางแก่จะไม่จะทำยังไงจริงไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกคงมีช่องทางใหพระพุทธเจ้าท่านคิดถึงขนาดนั้นนะ ่จากนั้นฉันจึงหนีออกไปบวชถึงหกปีไปอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่หกปีอลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกเหมือนกับลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแ่ะเอเรียกว่าลองเอกเษตรศาสตร์อย่างนี้นแหละปลูกนั่นไม้ปลูกเนี่นปลูกย่านปลูกย่านอยู่างนั้นจนได้สําเร็จสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนา ค, คือวันเดือนหกเพ็นนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 เป็นเครื่องติดตามเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมมุนีนาวัตตีโลโกโสัต์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วที่หลวงพ่อเคยยกกรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกวิญญาณต้องมีกรรมเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้วันพระอย่างนี้นะมาทากรรมดีนะ มาสร้างบุญสร้างกุศลอันดับแรกก็ได้ทําบุญจากนั้นก็ได้มารักษาศินต่อไปรักษาแล้วแตนี้นะมารับสินจะต้องรักษานะไม่แชรรับมารับสินแล้วก็ไม่รักษาไม่ได้นะไม่เป็นศินนะพอรับสินจากหลวงพ่อเสร็จแล้วก็รักษาตลอดทั้งวันวันนี้รักษาสิน5้าก็ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตกยุงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นเขารบในสิทธิสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหก ไม่ดื่มของมืนเมาก็เป็นศีลแล้วนี่แหละเมื่อเราเป็นศีลแล้วเราลำลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจนะอพอเราเป็นคนดีรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีนจากนั้นก็ภาวนาตกกลางคืนก็ภาวนาบ้างนั่งภาวนาหนาทีสิบนาทีพุทโธพุทโธพุทโธีทโทไ่ไปทํายากอะไรนั่งภาวนานะหาหมุมสงบนี่แหละเป็นล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสูจส่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจวันไหนก็วันเก่าผ่านไปผ่านไปไม่เชื่ออีกต่างหากฮะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่ทํามันไม่ศูนย์จะเป็นยังไงออพวกเราคิดอันไหนมันได้อันนั้นใช่ไหมถ้ามันคิดอันไหนมันถูกทุกอย่างพวกเราคงจะเป็นเศรษฐีละหลวงพ่อว่านะี่อคิดอะไรซื้อเหล็ก็ถูกเอ้าถูกเอาถูกทุกคนเหมือนกันแตเมื่อกันรวยท่านเลย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 พอจะมองเห็นว่าทรรํงงาทกรรมชั่วเนี่ยให้ผลนะมองเห็นยังไงเอ้าทํากรรมชั่วด้วยปุปปับก็มาไปตีหัวเขาเข้า ต, ตีหัวกั น, นในศาระเนี่ยพอตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จับเขาไปไปเข้าคุกนะ่ะไปขังอยู่ในห้องขังอใช่ทํากรรมไม่ดีเอกรรมไม่ดีให้ผลเขามาจับเรามาติดคุกอย่างนี้เองนะหมดอิดสระเลยเนีย่นี่แหละกรรมชั่วให้ผลเห็นได้ชัดนะ เ, เพราะนั้น ถ้าสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่มันชั่วผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือบาปกรรมทั้งหลายเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วมันจะให้ผลอะไรตัวในขณะที่ทําก็ทําด้วยโมโหโกธาแต่เมื่อทําเสร็จไปแล้วะกรรมชั่วจะตามให้ผลเลยเพลเพล่บางทีไปฆ่าไปอยิงเขาผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงผลที้สุดกับตัวเองก็โทษประหารแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าโทษประหารเขาไม่ประหารแต่ที่ังไงก็ขังคุก หลายปีทีเดียวในขณะที่ขังคุกมันมีความสุขไหมแหมมันไม่ใช่มีความสุขนะกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเด็พวกเรานะักพุทธศาสนกชนลูกหลานทุกคนนะฟังเอาไว้ทำคำสอนของพระพุทธทเจ้าต่อนนี้ไปรับพอ น, นุโมทนาให้พ